น้ำลายน้ำมูกไขข้อโมดคือปัสสวะแล้วก็มันสมองในกระโหลกศีรษะนะถามว่าทำไมในคัมภีร์คุตตะกะนิกายนี่นะคุตตะปาฐาจึงเรียงอาการส2สองเนี่ยนะต่อจากสิกขาบทว่างนันก็บอกว่าเพราะเพื่อความบริสุทธิ์แห่งอาสยะนะเพื่ออาสยะจะได้บริสุทธิ์ และก็เพื่อเป็นจิตตภาวนาของกุลบุตรผู้มีประโยคะอันบริสุทธิ์ด้วยศิขาบท1ิบอย่างนี้ผู้ดำรงอยู่ในศีลคนที่เข้ามาในศาสนาด้วยการถึงไตรสรารณคมใช่ไหมเมื่ออยู่ในศาสนาอย่างนี้ก็อยู่ในประโยคะคือทางกายวาจาที่บริสุทธิ์คือดารงมั่นอยู่ในศิขาบททั้ง10ประการ ทีนี้ก็แสดงอาการ32เนี่ยนะทวัติงสาการเนี่ยนะคืออาการ32สองเพื่ออาสยะเพื่อความบริสุทธิ์ของอาศัยะและก็เพื่อจิตตภาวนาเพื่ออบรมจิตเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในอังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งภิกษุเจริญทําให้มากแล้วเพื่อสังเวคะเนี่ยนะความสลดใจใหญ่ เป็นไปเพื่ออัถะคือประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อโยคะเขมะนี่นะความกเกษมจากโยคะใหญ่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะที่ใหญ่เป็นไปเพื่อยานัทสนะใหญ่เยนะยานัศนะแปลว่าความรู้ความเห็นเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมะสุขาวิหารคืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งวิชาและวีมุตเป็นทำให้แจ้งซึ่งผลผลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะ ถ้าหากว่าเจริญคือกายคตาสติเนี่ยนะดูกรพิสูทธ์ทั้งหลายภิกษุเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติพิกษุเหล่านั้นชื่อว่าไม่บริโภคอมตะภิกษุเหล่าใดบริโภคกายคตาสติภิสูจเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะภิสูุที่ไม่เจริญกายคตาสติชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตะภิกษุที่บริโภคกายคตาสติชื่อว่าได้บริโภคอมตะ ภิกษุที่เสื่อมจากกายคตาสติชื่อว่าเสื่อมจากอมตะภิกษุที่ไม่เสื่อมจากกายคตาสติชื่อว่าไม่เสื่อมจากอมตะภิกษุที่พลาดกายคตาสติชื่อว่าพลาดอมตะภิกษุที่สําเร็จกายคตาสติชื่อว่าสําเร็จอมตะนั้นคําว่ากายคตาสตินั้นเป็นชื่อของกายานุปัสนาที่พระผู้มีพระภาพแสดงไว้ทั้งสิบสี่บพะนั้น ก็ควรจะไปดูในกายยคตาสติสูตรคำพีมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตนะกายยคตาสติสูตรเนี่ยนะในนั้นก็พูดถึงสิบสี่บัพเพนะคืออาณาปานะบัพระอิรยาระภะถบัพเะสัมปชัญญะ น, นะสัมปชัญญะบัพเะเรียกว่าจตุสัมปชัญญะบัพเะปฏิกูลมนสิการบัพพพธาตมนัิการบัพเะศีวติกา ปะพะประเก้าปะพระเนี่ยนะเปรียวปาช้าเก้าพรั้นทั้งสิบสี่ปะพระนี่นะก็เรียกว่ากายคตาสติหมดเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งในกายานุปัสนาสติปทานในสติปฐานสูตรหรือในมหาสติปฐานสูทั้งสิบสี่ปะพระนี้ก็ชื่อว่ากายานุปัสนาหมดเลยเนี่ยนะก็โปรดศึกษาค้นคว้าเอาในที่นั้นๆั้นทีนี้มีข้อความที่น่า อธิบายตามลำดับบทที่ว่าอธิมสมิงกาเยเกซาโลมาณขาธันตาตะโจมังสังเนี่ยนะทันคำว่าอธินี่แปลว่ามีอยู่อิมัสมิงเนี่ยนะหมายคำว่าที่กล่าวว่าตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเนี่ยนะแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็กายมีอยู่ในกายนี้คือในสรีระกายนี้จริงอยู่สรีระเรียกกันว่ากาย คำว่ากายนี้เพราะสะสมของไม่สะอาดหรือเพราะเป็นที่เจริญเติบโตของผมเป็นต้นที่น่าเกลียดเหมือนกันเถ อ, อะที่โตหรือที่เจริญของสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายมีผมเป็นต้นเนี่ยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแต่ละอันแต่ละอันนี้ก็เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดโดยสีโดยกลิ่นโดยสารฐานโดยโอกาสปรเิเชตทุกอย่างเนี่ยน่าเกลียดหมดเลยแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรคเนี่ยนะตั้งร้อยเหมงอนกันเถอะ คำใช้คำว่าตั้งรอยเนี่ยบอกว่ามันเยอะจริงๆนะจากคูโรโคโซตาโรคคาณโรคมุคาโรโคทันตาโรโคยังมีโรคฟันโรคตาโรคสารพัดโรคนั่นแหละจับเธอจับส่วนไหนก็โรคเกิดตรงนั้นได้หมดเลยแหละตั้งแต่หัวจรดเท้านั่นแหละเพราะฉะนั้นโรคทั้งหลายก็เกิดอยู่ในนี้เพราะยในคําว่ากายเยก็คือที่สะสมของไม่สะอาดเป็นที่เจริญเติบโตของสิ่งน่าเกลียดแล้วก็รังของโรคที่ตั้งของโรคว่างั้นเหรอ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้จากโรคก็เรียนเรื่องกายนี่จะรู้จากโรคอีกสารพัดโรคว่างั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่คําว่าเกษาจนถึงมุดตังเนี่ยนะเกษาแปลว่าผมมุดตังเนี่ยแปลว่าน้าปัสสาวะเนี่ยนะก็คืออาการ32มมีผมเป็นต้นเหล่านี้ในทวติงสาการนี้เพิ่งทราบความสัมพันธ์เชื่อมความอย่างนี้ว่าผมอยู่ในกายนี้ ขนเนี่ยนะมีอยู่ในกายนี้เป็นต้นถ้าจะแปลนะบอกในกายนี้มีผมขนเล็บอันนี้แปลแบบอัตตะเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าจะแปลให้ให้ถูกโดยเนื้อความอย่างสมบูรณ์ก็ต้องแปลว่าผมมีอยู่ในกายนี้ขนมีอยู่ในกายนี้เล็บมีอยู่ในกายนี้ฟันมีอยู่ในกายนี้หนังเนี่ยนะมีอยู่ในกายนี้เนื้อมีอยู่ในกายนี้เอ็นมีอยู่ในกายนี้กระดูกมีอยู่ในกายนี้เยื่อในกระดูกมีอยู่ในกายนี้ม้ามมีอยู่ในกายนี้ หัวใจมีอยู่ในกายนี้ตับมีอยู่ในกายนี้พังผืดมีอยู่ในกายนี้ไตมีอยู่ในกายนี้ปอดเนี่ยนะมีอยู่ในกายนี้ไส้ใหญ่มีอยู่ในกายนี้ไส้น้อยเนี่ยนะบอกลำไส้เล็กอะนะก็มีอยู่ในกายนี้อาหารใหม่ก็มีอยู่ในกายนี้เนี่ยนะอาหารใหม่ก็คืออาหารที่บริโภคเข้าไปยังไม่ย่อยดีนะส่วนอาหารเก่าก็คืออาหารที่ย่อยแล้วก็มีอยู่ในกายนี้น้ําดีก็มีอยู่ในกายนี้เศรษเนี่ยนะ ก็มีอยู่ในกายนี้น้ำหนองก็มีอยู่ในกายนี้เลือดก็มีอยู่ในกายนี้เหงื่อก็มีอยู่ในกายนี้มันข้นเนี่นะก็มีอยู่ในกายนี้น้ำตาก็มีอยู่ในกายนี้เปลวมันก็อยู่ในกายนี้น้ำลายก็มีอยู่ในกายนี้น้ำมูกก็มีอยู่ในกายนี้น้ำไข่ข้อก็มีอยู่ในกายนี้น้ำปัสสาวะก็มีอยู่ในกายนี้มันสมองในกะโหลกศีรษะก็มีอยู่ในกายนี้เนี่ยนะอาจ เรียกว่าแปลให้สมบูรณ์ไปเลยว่างั้นต้องสัมพันธ์กันอย่างนี้ทุกๆคำไปเป็นอันตรัดอะไรไว้ด้วยทวตติงสาการนั้นเป็นอันตรัดไว้ว่าใครๆเมื่อพิจารณานั้นแม้โดยอาการทุกอย่างในกะเลวระคือเรือนร่างขนาดวาหนึ่งนี่นะคือยาวเนี่ยวาหนึ่งกว้างเนี่ยสอกหนึ่งเนี่ยนะ นานี่คืบหนึ่งนนะคือประมาณเท่านี้ก็คือเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องล่างแต่ปลายผมลงมาหุ้มด้วยหนังโดยรอบเนี่ยนะย่อมจะไม่เห็นอะไรไม่ว่าแก้วมุกดาเนี่ยนะคือถ้าไม่มีเครื่องประดับมาใส่นะค้นหาเถอะว่างั้นในนั้นมีแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูลกฤษณะจันย่าฝรัน น, นะนะคารบูนหรือว่าผงอกเป็นต้นแม้ขนาดเล็กกว่าสะอาดเนี่ยนะค้นหาดูเถอวะว่างั้นที่มันสะอาดจริงๆอะ่ะไม่มีรอกว่างั้น ก็ถ้าหอยบางอย่างยังมีไข่มุกอยู่ในนั้นเห็นไหมหอยไข่มุกอันนะคนเนี่ยหาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยในนั้นอะ่ะโดยที่แท้ย่อมจะเห็นกายเนี่ยนะต่างโดยผมเป็นต้นที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยนะน่าเกลียดอย่างยิ่งไม่มีสิริที่น่าดูเลยแบบนั้นมีประการต่างๆว่าไม่สะอาดอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหาว่าเอาเครื่องไล่ออกมาด้วยแล้วก็ต้องถือไม้เอาวันหนึ่งเอาวเอไว้ไล่สุนัข ก, กันนะเดี๋ยวสุนัขมันจะมาตามรุ้งตามทึ่งอ่นนะ เพราะฉะนั้นถ้าสำนวนที่เขาเรียกว่าผยผีกระสือหรือผีปอบอะไรเนี่ยนะเฉพาะกระสือเนี่ยนะมันก็คือมันห้อยหัวแล้วก็ลำไส้เนี่ยมันโยงไปเรื่อยๆนะแบบนั้นนะผมจะนาเกลียดขนาดไหนนะนั้นก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดส่วนรายละเอียดวิธีการเจริญเรื่องอาการ32เนี่ยนะ ในอัตกาถาคุตตะปาถะก็ขยายไว้อย่างละเอียดพอสมควรเนี่ยนะแล้วก็ในวิสุทธิมกรกายคตาสติก็ขยายละเอียดพอสมควรแล้วก็ในสติปัฏฐานวิพังก็ขยายละเอียดดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างกว้างขวางก็โปรโ ด, ดดูตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตตะศิขาหรืออธิจิตตะศิขาก็คือการบําเพ็ญอาการ32เพื่อชําระอาสยะเนี่ยนะเรียกว่าอาสยะ มันคนที่เจริญอาการ32ก็คือเท่ากับเจริญเนคข ม, มะวิตกนี่เองเนี่ยนะเป็นเนคข ม, มะวิตกนะทีนี้ส่วิธีที่จะให้ถึงาศาสนาแล้วก็พูดมาแล้วใช่ไหมคือสาระ2เนี่นะเนมื่อถึงาศาสนาแล้วก็ควรศึกษาในศิขาบททั้ง10ประการเพื่อประโยคะที่บริสุทธิ์นี่นะเพราะฉะนั้นก็แสดงอาการ32เพื่อให้อายบริสุทธิ์ อตทิอีมาสมัมเณฆาเยกิสาโลมานาคาจันดาเจจอมังสา น, นารุอาทิอาทิเมนจังวกังฮยายังยกนนาคิโลมากังิหัาสัอันังอันดกุณังอุดริยงรังกงมัลุงกั ใบด่างสีมันบัวลอิด่างสีโดมิดอสุวาสาเคล้องนีกาลสิกามกดานดีตัวเดิสาการ